เอาที่จะมากี่ครั้งกี่รอบก็กนไม่ขัดเขาเขาเรียกไปอบรมก็ไปนั่งฟังตาแป๊วๆเนี่ยไม่ดูเหมือนไม่ขัดไม่อะไรเขาเลยเนะี่ยยิ้มต้อนรับเขาด้วยอารมิสปฏิสันฐานธรรมะปฏิสันฐานอย่างดีอันนี้แปลว่าซึมเข้าไปในเนื้อในหนังแล้วใช่ไหมในใจแล้วเนี่ยแปลว่ายึดมั่นในกุศลในคุณความดีนี่แหละถ้าอย่างเงี้ยคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาจเป็นแบบนี้ แม้แต่พะระนารายจะช่มที่บอกว่าบาทหลวงบอกว่าพระเจ้าเป็นดินที่เมืองบอกที่ทางยุโรป บ, บอกว่าต้องการให้เปลี่ยนศาสนาท่านก็ยังเข้าใจต่อบใช่ไหมท่านบอกว่าที่ท่านนับถือพุทธศาสนาคงจะเป็นภาพรประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมใช่ไหมก็อนันแหละของถ้าหากพระเจ้านี่นะยมีภาพรประสงค์จะให้ท่านเปลี่ยนศาสนา ท่านคงมาบอกเองคงไม่ต้องรบกวนให้ท่านมาบอกเราลอกเนี่ยนะใช่ไหมถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนให้เราไปนับถืออย่างลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการไม่ขัดแย้งใช่ไม้มไม่ขัดแย้งที่จริ ง, รงตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันน่าจะลนลงขึ้นมาใหม่เนี่ยวัฒนธรรมของกรุงศรีเนี่ยว่าไงประธานอก็ต้องบอกเขาทีบอกว่าประวัติศาสต ร, ร์นี้ก็เขียนยุคหลังไลยบอกว่า ตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากเราเรามองในรักสนังนี้เราจะเห็นว่าที่จริงนะว่าในคาสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยในยุคก่อนนี้แนบแน่นมากประชาชนนี้ตั้งมั่นในกุศลลกรรมมากแล้วก็ตั้งมั่นในคุณของพพุทธเจ้ามากแต่พอมาระยะสุดท้ายปลายแถวมายุคลางๆนี้ก็อ่อนแอลงเยอะเลย อ, อ่อนแอลงลงอย่างมากมายเพราะผู้มีภาคเจ้า บอกว่าพระองค์นั้นทรงทามรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทามรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดพร้อมแล้วก็ตรัสบอกมรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จกักมรคทรงรู้แจ้งมรค ก, ก็ฉลาดในมรค ก, ก็แลภาษาวกทั้งหลายของพระองค์เป็นผู้ดาเนินไปตามมรคอยู่ในบัตรนี้จะเป็นผู้เพียบพร้อมในภายหลังเห็นไหมถามว่าสมัยก่อน ทางเดินนี้ก็ถูกปิดเมื่อพระบรมศาสดาสา ม, มาสุสมุทริยาองค์ก่อนบริณิพานโลกก็มืดก็เดินยกพลเคลื่อนพลกันผิดทางมาอย่างยาวไกลใช่ไหมไม่สามารถที่จะเดินออกจากสังสารวัตรเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาสร้างบารมีมาในสุดจริงๆพระองค์ก็ได้ตัดสรุ้พระองค์ก็แพ้วถางทางนี้ขึ้นมาทางที่ถูกทับถมมานานไม่มีใครเปิดพระองค์ก็เปิดให้เห็นใหม่ ว่าทางนี้แหละที่จะทําให้สัตว์เนื้อสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรด้วยพระเจ้าทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่แปลว่ามรรคนี้ถูกถมมานานทางนี้นะทางที่จะเดิมเดินไปสู่ความเพลินทุกเนี่ยพอพระเจ้าองค์ก่อนปรินิพานไปการยาวนานผ่านไปโลกก็มืดหาทางไม่เจอไม่มีคนฉลาดพอที่จะเห็นทางนี้เปิดทางนี้ได้แต่พอมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออุบัติเกิดขึ้นมาใหม่ พระ อ, องค์ก็เปิดทางวันนี้ง่ายทางเดิมทางเก่าเป็นทางนี้พระ อ, องค์เป็นพูด้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทำมรรคที่ยังไม่ถึงพร้อมให้เกิดพร้อมแล้วต่อไปอมรรคอาจจะกระพองกระแหว่งไม่คบรบใช่ไหมต่อมาพระ อ, องค์ก็มาเปิดเลยเปิดสติปัฏฐานสมมปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชงแล้วก็มรรคแปดสมัมมาทิฏฐิรายละเอียดก็เจาะทะลุทะลวงไปพระ อ, องค์ก็เปิดเส้นทางนี้ให้แล้วก็บอกว่าตัดบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกรู้แจ้งด้วยเป็นคนรู้แจ้งเป็นพระองค์ทรงรู้แจ้งเลยนะ ปฏิปทาถ้าถามอกว่าทานนกุศลนี่เป็นมรคไหมเป็นมรคหรือไม่เป็นมรคเป็นทางไหมทานนกุศลนี่เป็นปฏิปทาเป็นทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้แล้วที่ที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยมีใครบ้างไม่เคยไม่เคยเจริญทานกุศลเดินยังไงฮะเดินทานกุศลจะให้เป็นมรคได้ให้เป็นหนทางเห็นเป็นเห็นเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้เขาถึงความหลุดพ้นได้เราเจริญทานนกุศลเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงไหม ชักไม่ค่อยมั่นใจแล้วแล้วจะเดินยังไงจะเดินทานกุศลให้เป็นข้อปฏิบัติให้เขาถึงความพ้นทุกข์ได้จะเดินยังไงดีเอาเดินยังไงดีจะเดินทานกุศลให้เป็นข้อปฏิบัติให้เขาถึงความบนทุกข์จะเดินยังไงทานกุศลเอ้เมื่อกี้บอกว่าทานกุศลเนี่ยการเจริญทานกุศลเป็นเป็นมรรคไหมเป็นอริยมรรคไหมเอาเจตนาเป็นมรรคหรือเจตนาศีลนี่เป็นมรรคหรือเอาเจตนาทานนี่เป็นมรรคหรืเป็นไม่เป็นเอาสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาใช่ไหม สัมมาสังกปะ์ได้แก่วิตกวิตกที่อยู่ในกุศลสังกปะสัมมาวาจาก็คือตัวสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะก็สัมมากัมมันตะใช่ไหมการกระทําการงานชอบเนี่อันนี้ไม่ใช่สัมมาอชีวะการเลี้ยงชีพชอบที่ก็คือสัมมาอชีวะเจตสิกกระทรมที่อยู่ในกุศลสัมมาวายมะคือความเพียรสมาสติก็คือตัวสติที่มีในกุศลสัมมาสมาธิได้แก่เอกกัตา แล้วไหนเจตนาอยู่ไหนไม่เห็นมีเจตนาสักตัวเลยนะเอาเจตนาไม่ใช่เจตนาใช่มาร์กไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่มาร์กแต่เป็นธรรมที่สัมปยุติกับมาร์กใช่ไหมฉะนั้นคําว่ามาร์กกับเจตนานี่หมายถึงเอาตัวเจตนาเนะถามว่าถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ไหมไเพราะเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นสัมมาทิฏฐิให้ทํากิจของตนใช่ไหม ตัวเจตนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาให้ทํากิจเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นวิตกให้ทํากิจวิตกก็ยกขึ้นมาไม่เจตนาก็กระตุ้นให้วิตกนั่แหละทากิจนั้นเจตนาทําเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นให้สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสมาชีวะสัมมาวิมารสมาสติสัมมาสมาทิทํากิจถ้าไม่มีเจตนาคือเจตนาที่จัดแจงเจตนาเป็นเหมือนหัวหน้าศิษย์เหมือนไม่เหมือนถ้าจะนั่งหลับเนี่ยเจตนาเป็นผู้บอกไหมว่าไง ไอ้คนเราเวลาจะหลับมีเจตนามันตั้งใจไว้ไว้ว่าจะหลับที่จริงมันเจตนามันทํากิจแต่เราเราเผอลอเรามองบอกว่าเออเย็นดีนะั่นแหละเจตนาแล้วนี่ยเนี่ยเออเย็นดีแล้วคนที่ฟังทำแล้วให้หลับเนี่ยคือฟังแล้วไม่ไม่ฟังแล้วก็ไข้ควรฟังแล้วก็ไข้ควรการฟังทำเป็นการปฏิบัติไปด้วยไหมแต่ถ้าฟังทำนิ่งนิ่งแล้วปฏิบัติไหมน้ํานิ่งคือน้ําเน่าใช่ไหม ทั้สังเกตดูที่น้ําที่มันจะใสได้มันจะต้องมีระบบเป็นการปั่นอยู่ตลอดนะต้องหมุนอยู่ตลอดนะใจก็เหมือนกันเวลาฟังพระธรรมนั้นต้องให้มันหมุนอยู่ตลอดนะฟังแล้วก็มาไข้ครวญแล้วก็เจริญออกไปเจริญออกไปอย่างนี้นะไข้ครวญออกไปเรื่อยเขาฟังใหม่เจริญไปเรื่อยหมุนไปอย่างนี้นะเขาฟังธรรมเป็นก็ไม่ได้นิ่งๆนะถ้านิ่งๆก็เรียบร้อยเลยไม่รู้เรื่องหรอกไม่เคารพพระธรรมอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยว่าคืออย่างนี้ ในขณะที่ฟังทำเนี่ยดังที่ได้กล่าวว่าเราหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังใช่ไมสองทาสิ่งที่ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดสามจิตของผู้ฟังย่อมสะอาดย่อมผ่องใสต้องยานปัญญามันเกิดองค์ของการฟังเราไม่เป็นไงไม่ตั้งใจไว้การฟังเนี่ยเขาฟังเสร็จก็มาไข้ควรให้ให้ให้การปฏิบัติมันเดินไปในขณะนั้นอย่าลืมนะทาไม ถ้าเราตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนี้ถึงอยู่ต่อหน้าพระพักเราตัดสรุปไม่ได้คุณโย น, นเพราะเราไม่ฟังแล้วก็ไข้ควรตามไปไข้ควรตามไปไข้ควรตามไปตอนนั้นการปฏิบัติมันเดินอยู่การปฏิบัติมันเดินอยู่ใจมันไม่แข็งกระด้างใจอ่อนโยนด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมุนไปอยู่น้อมถึงการฟังธรรมน้อมเคารพระศาสดาตอนนั้นะ ตอนนั้นการปฏิบัติธรรมกำลังเดินไปอยู่ก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้ตลอดเ น, นีตอนนั้นเนี่ยนี่ไงเป็นธรรมบูชาแล้วตอนนี้เป็นธรรมบูชาเกิดขึ้นมาแล้วในขณะที่ฟังก็ไข่ครวญไปใช่ไหมเ ช, ช่นพอพระท่านพูดเรื่องทานนกุศลก็พิจารณาพระบอกเจตก่อ น, นยังทานนกุศลเน่ยเป็นองค์8ประการไหมเป็นสัพปริสทานไหมเราก็พิจารณาถ้าพระท่านบอกว่าให้ด้วยศรัทธาเชื่อมะ เชื่อมั่นมีใจผ่องใสเชื่อมั่นมีใจเด็ดเดี่ยวในการที่จิตคิดจะให้เป็นต้นเหล่านี้นะเชื่อมั่นในคุณของพระัตนาไตรเชื่อมั่นในกุศลใช่ไหมเชื่อมั่นในอดีตเชื่อมั่นในอนาคตเชื่อมั่นในทั้งอดีตและอนาคตเชื่อมั่นปฏิจจสมุปาทเนหลักความเป็นไปของเหตุและปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเชื่อมั่นนะกรรมที่ทําในปัจจุบันนี้จะให้ผลในลําดับ ถัดไปในพบถัดถัดไปหรือพบที่สองพบที่สามเป็นต้นไปได้นันมีความเชื่อมัน่นเพราะเห็นเหตุผล ต, ตรงนี้ประการต่อมาคือว่าให้ด้วยความเคารพใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปด้วยความนอบน้อมถ้าถามบอกว่าพระบรมศาสดาเวลาให้จะให้ความรู้พระองค์ให้ด้วยความเครารพให้ด้วยความนอบน้อมเนี่ยผลจากการให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมน้อมเนี่ยผลเนี่ยทําให้พระองค์เนี่ยนะ ทำการให้ด้วยความเคารพทําให้ด้วยความนอบน้อมหรือการให้ให้วัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้ยบริษัทบริวารของพระองค์นั้นก็น้อมที่จะฟังปฏิบัติตามนีปฏิบัติตามเลยนี่แล้วก็ให้เป็นกาลาทานให้เหมาะสมแก่การเวลาด้วยที่สุดจริงๆพระองค์ก็ได้ตัดสรู้เหมาะแก่การแก่กับสมัยที่ได้ตัดสรุปไงและการให้ก็โดยอนุเคราะห์ก็คือให้โดยตัดขาดให้โดยสละอย่างเด็ดขาดการให้แบบไม่กระทบตัวและผู้อื่นก็5ประการใช่ไหม เพิ่มอีกก็คือให้เนืองนิดให้เนืองนิดก็คือให้ด้วยจิตที่ผ่องใสให้ด้วยจิตที่ใจดีก่อนให้ขณะให้ก็เชื่อเลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาลยานนะ8ปดประการก็เลยขยายจากห้าเป็นแปดก็กลายเป็นสัพพุริสสถานไหมเป็นห้าก็คือในหมวดห้าแปดก็เป็นหมวดแปดไเนี่การให้ในลักษณะอย่างนี้แปลว่าเข้าใจบริบทของทานในกุศลยจนชัดเลยใช่ไหมอนันนี้อย่างนี้เดินแล้ว การปฏิบัติเดินแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นว่าการขั บ, ขบเคลื่อนในทานกุศลเป็นต้นเนี่ยอันนั้นแปลว่ากําลังจกพัฒนาเพราะว่าทานกุศลเนี่ยปัจจัยของทานนกุศลทั้งเกีดูว่าการให้ทานนั้นต้องให้อะไรเด่นอะโลพาทานต้องเด่นใช่ไหมเจตนาคือจิตคิดจะให้เนี่ยนี่เป็นเจตนาทานใช่ไหม เคยกล่าวทั้งหลายครั้งที่บอกยมสุพรรณหงษ์ทั้งหลายครั้งถ้าให้หนักพระไตรปิฎกเป็นทานอกุศลเนี่ยตัวที่ให้ผลที่จะทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บริบูรณ์และได้สิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์เนี่ยนะตัวพระไตรปิฎกให้ผลหรือเจตนาให้ผลรู้ว่าเจตนาให้ผลแล้วทําไมเราทําเจตนาอ่อนแอและเกินเพราะอะไรทําไมเจตนาก่อนให้อ่อนแอขณะให้อ่อนแอหลังจากให้แล้วก็อ่อนแอและเกิน ทำไมเราไปขับเน้นที่วัตถุมากกว่าเจตนาเพราะอะไรเพราะอะไรเออเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะไม่ใช่เป็นตัววัตถุเป็นตัวให้ผลแต่เจตนาเป็นให้เป็นตัวให้ผลแต่ถ้าไม่มีวัตถุก็ไม่มีเชือกยึดอารมณ์นั่นเองไม่มีเชือกยึดและวัตถุก็ต้องมีประณีตต้องละเอียดด้วยตามสภาพของเจตนาที่จะปรุงแต่งแล้วก็จะให้ใช่ไหม ฉะนั้นก่อนให้เนี่ยทั้งๆที่พระไตรปิฎกยังไม่อุบัติยังไม่เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยเขาก็คิดก่อนแล้วถามว่าจิตที่คิดก่อนปุพชาเจตนาที่คิดก่อนไข่ควรก่อนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคิดอย่างต่อเนื่องคิดอย่างเชื่อมโยงคิดแบบตลอดสายความคิดตรงนั้นเป็นทานหรือยังเป็นเรียบร้อยไปแล้วเนียตรงนี้ต่างหากถามว่าคิดยังไงก็มันไม่มีเรื่องให้คิดเนี่ยอยากให้คิดยังไงจะมา เช่นว่าอ๋อสมมตินะโทรศัพท์ไปสั่งพระไตรปิฎกใช่ไหมพระไตรปิฎกถามชุดเท่าไรก็บอกว่าสองห0ื่นกว่าบาทสองหมื่นเท่าไรสมมติสองหมื่นเ็ดร้อยสองหมื่นเ็เอาหนึ่งชุดจบแล้วอยาไปวัดไหนก็โทรถา้าว่าวัดนั้นเบสเสร็จจบแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเลยตั้งแต่นั้นมามันต่อไม่ได้มันปรงแต่งจิตต่อไม่ได้ใ ช, ใช่ไมปรงแต่งจิตต่อไม่ได้นี่คือนี่คือปัญหานี่คือปัญหามากๆเลย อ้าตอนนี้เมื่อวานนี้ก็นั่งคุยกันเรื่องแบบเนี้ยคุยไปคุยมามีโยมคนหนึ่งก็ถามบอกว่าช่วยคิดหน่อยได้ไหมเขาจะก๊อปปี้แบบคือว่าคือเขาคิดไม่ได้จริงใช่ไหมงั้นช่วยคิดให้หน่อยให้ให้ท่านอาจารย์คิดให้หน่อยว่าให้พระอาจารคิดให้หน่อยคิดเบ็เสร็จแล้วเขาจะได้ก๊อปปี้แบบก๊อปปี้ความคิดแล้วเขายกปรุงแต่งเล็กน้อยได้เป็นของเขาอย่างนี้ดีไหมดีไมด่ดีคือคือถ้ามองมองในลักษณะอย่างนี้ ที่เขาคิดในลักษณะอย่างนั้นจริงๆก็ก็ดีเพราะถ้าหากว่าในมุมที่ไม่สามารถที่จะคิดได้ยังไงตอนนี้นะก็หามุมในกรณีแห่งการที่ให้คนเขาคิดให้เพราะการคิดในลักษณะอย่างนี้จะช่วยเกื้อกูลต่อการที่ทำให้เราเนะี่ยคิดได้ได้ชัดเจนขึ้นถ้าอย่างนั้นก็คิดไม่ออกจริงๆไม้มว่าก็ไม่รู้จะคิดยังไง ทีนี้เวลาเขาเจริญเขาเขาเดินทานนกศุศลกันเขาเขาคิดยังไง ร, รู้ไหมถ้าถามว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะให้เราจะให้ทานนักศุศล เ, เนี่ยนะถ้าถามว่าจะเดินจะเดินในเรื่องของทานนักศุศลเนี่ยหนึ่งเข้าให้พิจารณาหลักพิจารณาทา น, นกศุศลก่อนแล้วก็หลักปฏิบัติในทานนักศุศลไอหลักปฏิบัติในทานนักุศลเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างพระโพธิสัตว์มองซียะก็หมายความว่าโลก กรณีแห่งทายาธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ใช่ของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้หรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยถ้าเรามองอยู่มมีสองส่วนส่วนที่มันจะผุพังไปรวดเร็วเนี่ยเยอะใช่ถ้ามีผ้ามีอาหารโดยเฉพาะอาหารเนี่ยแล้วแต่วันต่อวันนะอาหารเนี่ยวันต่อวันนของกินของใช้หรือยาเป็นต้นเหล่านี้มันก็มีอายุในการใช้งานของมันอยู่ ให้สังเกตดูไหมว่าของที่เราเก็บไว้จนเสียเราทิ้งไปโดยไม่เป็นทานกุศลเนี่ยเยอะมากๆชีวิตของคนคนหนึ่งใช่ไหมใช่เนี่ยด้วยการที่เราเดินทานในกุศลไม่เป็นเนี่ยที่สุดจริงๆก็เก็บไว้เพื่อทิง้งเก็บจนเสียหายเสียหายก็ทิง้งเก็บไว้จนทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งทิ้แล้วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยเนะไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยเสื้อผ้าทั้งหลายเหล่านี้ไปซื้อซื้อซื้อซื้ อ, อ, อมาเนี่ยเยอะแยะเบียเศษหมดที่สุดจริงพอสิ้นปีไปแล้วก็ต้องทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้ง เก็บเก่าเก่าก็สละทิ้งเก่าก็สละทิ้งถานแล้วมันเป็นทานไหมเนี่ยนี่ไงคือความไม่ฉลาดในการเดินทานในกุศลแต่ถ้า พ, พ, พบพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยท่านฉลาดในการคิดท่านถึงใช้คําบอกว่าของที่มีทั้งหมดทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดแล้วที่เราไปหาดิ้นรนในการกระเสือกกระสนหาอาหารทุกวันเนี่ยมาได้มาเพื่อจะให้จบเลยที่มันเป็นทานหมดเลยเป็นทานในกุศลหมดเลยทุกวันเนี่นะ ตื่นเช้าขึ้นมาเดินทางไปทํางานยางทุกอย่างก้าถามว่าถ้าคิดอย่างนี้จิตมันจะสดชื่นไหมเพราะจิตคิดจะให้ตลอดเวลาจิตที่คิดจะสละทําไมเรากล้าสละวัตถุทานเพราะเราทําลายความโลภในวัตถุได้ในกาในในในวัตถุกรรมได้เราเหมาะที่ไหนต่างๆถ้ามองอย่างนี้เนี่ยมองอาคารทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้ามองเป็นวัตถุวัตถุก ร, รมเนี่ยมันจะไปให้ความกําหนาดขัดเคืองรุม่มหลงเลยนะ แต่ถ้าเรามองว่าเราจะให้เราจะสละขึ้นมามันจะคนละความคิดเลยนะเนี่ยจิตเราอยากจะให้อ่ะถามว่าเรามานั่งอยู่นะที่เนี้่เราสามารถให้อาคารหลังนี้ถวายเป็นพุ้ตบูชาได้ไหมได้ไม่ได้เราให้ใหม่ได้ไหมตอนเนี้ยเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่ายังเหมือนเราเห็นสีอ่ะเนี่ยนะนะนะเห็นสถานที่เหล่านี้ทั้งทั้งที่ว่าเรามองสถานที่เหล่านี้เราเห็นบางคนก็เห็นว่าโอ้โหงามสวยอย่างเนี้เลยไม่ได้อะไรนอกจากความกำหนัด มองคนก็น <o of sau> ่าขัดเคืองก็ลุ่มหลงไปเห็นไหมแทนที่จะได้ทานกุศลสินกุศลจากการมองก็ไม่ได้นี่นี่คือความไม่ฉลาดในการวิจัยจิตตนเองว่าจะให้เป็นทานกุศลอย่างไรเขาบอกว่าถ้าหากพิจารณาก็จะเห็นเพราะโพริสัตว์ท่านใช้คําว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่ากายอวัยวะภายในใช่ไหมชีวิตของท่านและอวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าซับภายนอกท่านก็ไม่ให้ความโลภยึดติด ท่านบอกว่าไอ้ตัวควาไอโลพานี่ยนะธรรมชาติของกิเลสเนี่ยไอ้ตัวที่เขาไปยึดติดเนี่ยมันไม่รู้จกักพอทรัพย์สมบัติที่ได้มานี่นะทั้งทรัพย์ภายในและภายนอกเนี่ยมันให้ทุกข์สงา น, นงทุกในการแสวงหาทุกในการรักษาทุกในการที่ต้องแปลไปก่อนยังไม่ได้ก็แสวงหาได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะการรักษาที่แรกนะทุกข์เพราะการหาก็เสื่อกสนแต่พอได้มาก็ต้องทุกข์ด้วยการรักษา รักษาได้ไม่อยู่มันต้องแปลเปลี่ยนไปก็เป็นทุกข์อีกสรุปแล้ววัตถุทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไอคําว่าวัตถุกรรมเนี่ยหือตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกกระตาหูจมูกลิ้นกายและใจภายในเป็นวัตถุกรรมหมดเลยเนะี่ยเขาแปลเครื่องผูกเครื่องผูกทําให้สัดใจรู้สั์ทั้งหลายจะติดแล้วก็ผูกพันอยู่ทั้งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทํามารมทั้งหลายเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตของเราทั้งหลายนี่เขาเรียกวัตถุกรรม ทั้งหมดที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเครืองลุ่มหลงอย่างนี้เขาเรียกว่าวัตถุ ก, กรรมโยมมงคลไอ้วัตถุก ร, รมเหล่านี้นะใช่ไหมไอ้ตัวก ร, รมวัตถุก ร, รมเหล่านี้เขาแปลว่าเครื่องเครื่องผูกใช่ไหมเครื่องผูกก็คือทำให้สัตว์ทั้งหลายนะ่ยออกออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าหากเราเห็นโทษว่าวัตถุก ร, รมทั้งหลายเนี่ยให้โทษสามการทุกในการแสวงหา ทุกในการรักษาทุกในการที่วัตถุกรรมนั้นต้องแปลไปเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกที่มั้นเป็นอนาัตตนี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปยึดครองมันอยู่ได้ที่สุดจริงๆก็เป็นทุกข์กับมันอยู่ทุกวันเนี้ต้องเดือดร้อนเหมือนคนมีตาอยู่สองตาแล้วก็อยากจะเพิ่มอีกสองอยากจะเพิ่มอีกสองอยากจะเพิ่มอีกสองมีหูอยู่สองหูก็เพิ่มเรื่อยมีจมูกสองรูก็เพิ่มเป็นสี่รูเป็นหกรูใช่ไหมมีปากอีกหนึ่งปากก็เพิ่มเป็นสองปากสามปาก ไอปากเดียวแค่นี้ก็น่ารำคาญพอแล้วใช่มะไปเพิ่มสองปากสามปากขึ้นมาน่ารำคาญเลยเนี๋ยแล้วก็เดือดร้อนนี่ไงกามกามมันให้โทษเข้าใจไมมดูแลแค่ตาสองตานี่ก็ลำบากแย่แล้วยังอยากไปดูอีกสองตาสามตาเป็นทุกข์เลยเดือดร้อนนี่ไงไอเดือดร้อนจริงไหก็ไม่ฉลาดไงถ้าความคนฉลาดจริงๆก็ก็เห็นเข้าใจแล้ว คนที่ฉลาดเขาใช้ปัญญาไขาควรปัญญาเป็นธรรมชาติที่เป็นดวงประทีปใช่ไหมส่องแสงสว่างให้ปรากฏเขามองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่พอปัญญาไม่เกิดขึ้นมามันก็มืดบอดพอมืดบอดก็มองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระาศาสดาก็ทวงให้ดูว่ามันหัวงูเหา่าไอหัวงูเห่าไม่ใช่มีแค่หัวมีพิษด้วยกัดเจ็บกัดตายนะเนี่ยเราก็เห็นไม่เห็นเป็นลายเลยแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วเป็นไงตอนเนี้ ก็เป็นทุกจริงๆด้วยนีย่ก็เดินออกก็เดินไม่ได้เดีเนี้เดินออกก็เดินไม่ได้เดีนี้ไม่รู้จะเดินยังไงมึนหมดแล้วตอนเนี้พระบรมศาสดาบอกทางก็ยังงงๆอยู่เนี่ยฟังอะ่ะยังหาทางไม่เจออยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกข้อปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเดินออกนี่ก็เหมือนการวิธีละโลภะในในทายธรรมในวัตถุก ร, รมคือวัตถุกา ร, รมเป็นที่ตั้งของความโลภเป็นที่ตั้งของความยินดีเป็นที่ตั้ ง, งความกําหนัด ยึดติดหัวพันไอ้คําว่าผูกพันผูกพันเนี้ยอะไรอะไรเนี่ยอารยาวอร์เหลือเกินยกอย่างว่ผูกพันเนี่นนน ย, ยนนคำคำนี้เป็นชื่อตันหานะคาว่าอารยาอาระยะเนี่ยอริ亚马ดามาตาเนี่ยเป็นชื่อของตันหาเป็นความอาลัยความรากักความยินดีความเพลิดเพลินการใฝ่หาการแสวงหาเหล่าเนี้อันนี้เป็นตันหาเป็นธรรมชาติที่ไปยึดติดในตัววัตถุกรรม นั้นทําไมต้องสละทายาสละวัตถุใช่ไหมทำไมต้องสละวัตถุ อ, อเครื่องทายาทามวัตถุทานทั้งหลายเลยเนี้ยวัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความโลภจึงต้องสละจึงต้องสละเช่นทําไมพระโพธิสัตว์จึงต้องสละภร ร, รยาใช่ไหมเพราะภรรยาเนี่ยไม่ใช่ไปสละภรรยาที่เห็นภรรยาแก่บ่นเก่งหน้าเบื่อไม่ใช่งั้นนะ ภรรยาที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีนั้นคือเป็นจากกัญญาณีนะใช่ไหมเป็นคนที่มีความงามเพียบพร้อมนแล้วก็เป็นเป็นกุลสตรีนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้รูปด้วยนะแล้วก็สติปัญญาก็ดีด้วยนะแล้วนางเป็นใหญ่ด้วยใช่ไหมเป็นใหญ่ในบ้านด้วยที่พระองค์สละนั้นเนี่ยเพื่ออะไรไหมพระองค์เห็นเหตุเห็นผล ให้ภรรยาเป็นทานเนี่ยจะได้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปว ง, งใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะสละโดยชนิดที่ไม่ให้ข้อมูลแก่ภรรยาท่านให้ข้อมูลว่าการจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมไม่ใช่สร้างสัมมาสัมโพธิญาณได้ด้วยตนเองได้ด้วยลําพัง จะต้องอาศัยบริษัทบริวารถ้ามายถึง ว, ว่าท่านก็นั่งประชุมกันนะว่างั้นเด้ก่อนที่จะเดินบา ร, รมีทั้งหลายเนี่ยก็วางแผนข้ามภพข้ามชาติในสังสารวัตในําลองว่าเอาคุณปรารถนาฐานะไหนเนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าทำได้บอกมาเน่ทําลองอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็อยู่ๆแล้วก็ส่งเลยไม่ใช่เล ย, ยนี่ไม่ใช่ ทุกคนได้ข้อมูลเห็นไหมทุกคนจึงเต็มใจแม้นางพิมพาถึงบอกว่าก่อนจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพุทธิญานเนี่ยพระ อ, องค์สละหมอมชั้นให้เป็นชายาของบุคคลอื่นมากกว่าพันโกอัตภาพมากกว่าพันโกอัตภาพสละหม่อมชั้นให้เป็นทาสของบุคคลอื่นมากกว่าพันโกดัตชาติเออัตภาพสละชั้นให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นมากกว่าพันโกอัตภาพอย่างเงี้ย ฉะนั้นการจะได้มาเนี่ยแลกมาด้วยอวัยวะทรัพภายนอกทรัพภายในทั้งชีวิตนี่ไงคือสัมมาสัมปวเิยา์แต่ว่าท่านเหล่านั้นพ้นทุกข์หมดไหมพระพราหุลพ้นทุกข์มนางพิมพาพ้นทุกข์ไหมพระเจ้าสุโธธนะนางสตรีมหามายาคนที่เกี่ยวข้องในการเดินบารมี มีพระโมคขาลานาภาษาริบุพระ้าอนนทั้งหลายเขาพ้นทุกหมดคนไม่กล้าอย่างพวกเราก็นั่งนั่งโอ้โหอัศจรรย์อย่งเช่ไหมอ้งไม่กล้าไม่กล้าเราไม่กล้าแบบนั้นฉะนั้นไม่แปลกเลยใช่ไหมคนผู้กล้าทั้งหลายก็ก็ได้ฐานนากันหมดแล้วและเราจะไปยังไงในชีวิตข้างหน้าเนี่ยก็เดินอย่างผู้ไม่กล้าอีกต่อไปใช่ไหมก็ไม่กล้าที่จะเดิน ฉะนั้นวัตถุเป้าหมายการสละทายธรรมทั้งหลายเลยทยธรรมเป็นที่ตั้งของโลภะใช่ไหมการจะละโลภะเขาละายังไงก็ละด้วยการว่าวัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งของโลภะก็สละวัตถุชิ้นนั้นโหยุ่งเลยเงี้ยคิดคิดงี้ละบากไหมถามว่าร่างกายของเราเป็นที่ตั้งของโลภะไหมเ ร, เรารักตัวเองมากไหมมากไม่มาก แล้วตอนนี้เราสละตัวเองหรือยังแล้วก็มอบกายถวายชีวิตเนี่ยสละหรือยังเราเวลาไปสวดมนต์เนี่ยข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์เพราระเราต้องการบำเพ็ญทานระบารมีใช่ไหมเราไม่อยากเป็นทาสของราคาอีกแล้วไม่อยากเป็นทาสของกิเลสอีกแล้วเราจึงสละถวายพระพุทธเจ้าไปเลย ต่อไปไม่อะไรกายและชีวิตติดต่อไปแล้วเพราะเป็นของขพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่ใครห้ามตีหัวเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เลยยุ่งเลยใครด่าก็ไม่ได้อีกโกรธเพราะอะไรไ <c oughs> เพราะถวายแบบไม่ทําลายโลภะจริงกลับ <c oughs> ไปทําลายใหม่ <c oughs> จริงๆเป้าหมายจริงๆต้องทําลายจริงๆไหม ต้องทำลายความยึดติดจริงๆเพราะเราเห็นว่าการเป็นทาตของกิเลสเนี่ยมันเดือดร้อนเดือดร้อนมากเราเป็นทาตของราคะทาตของโทสะทาตของโมหะมันเดือดร้อนพระศาสดาก็บอกไม่เป็นอิสระไม่เป็นเสรีภาพเลยไม่เป็นอิสระแก่ตัวเลยต้องมาเป็นทาตของกิเลสกิเลสจะใช้ไปทําอะไรแล้วก็ทํามันอยากให้เราดูอะไรไกลแสนไกลก็ไปอยากให้กินอะไรไกลแสนไกลก็ไปอยากไปพูดอ้อนวอนใครก็ไปสารพัดให้กราบใครแล้วก็กราบ ให้ด่าใครแล้วก็ด่าถ้าเป็นธาตของกิเลสต่อไปเราไม่เอาแล้วขอปลดเปลืองความเป็นทาตของกิเลสมาเป็นธาตของ菩าสดาเป็นอิสระจากกิเลสใช่ไหมไม่เอาอีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เข้าต่อหน้าพระเจ้าเราเข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่ พ, พระเจ้าพระธรรมประสงค์พระเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าใช่ไหมก็พูดไปเบ็ดเสร็จพอกลับมาก็อย่างเดิมอีกไม่รู้ยังไงเนี่ย แล้วจะทำยังไงในชีวิตเนี่ยคือคือในหลักหนึ่งถ้าเราการเดินทางในกุศลเนี่ยเดินไปเพื่ออะไรเพื่อจะละโลภะเพราะติดข้องไงเป็นธรรมชาติที่ติดข้องและอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยมากบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะทำไมเราไม่กล้าที่จะให้อย่างยกตัวอย่างเนี่นะอามาเนี่ย เห็นสมมุติเห็นโยมผู้ชายนี่เนะี่ยไม่ทราบชื่ออะไรนี่นะคือฮะนั่นแหละเห็นโยมเนี่ยนะพ่ออามาเห็นป้อมเนี่สมมุติอามาบอกว่าอามาเกิดเกิดเกิดปฏิฆาไม่พอใจสมมุติพอเกิดปฏิฆาไม่พอใจปุ๊บเนี่ยอันนี้แปลว่าอามาไม่ให้เห็นไหมไม่ให้เพราะโดยมากเนี่ยคนที่จะเดินทานนากุศล ไม่ได้เลยก็คือคนที่มีปฏิฆามากให้ hey, สงเกตนาทานกุศนจะทําลายโลภะจะทําลายโทสะจะทําลายโมหะใช่ไหมการเจริญทานกุศลเนี่ยทานกุสนเนี่ยทำลายโลภะในทายธรรมทําลายปฏิฆาในปฏิฆาหกทาไมทําไมไม่กล้าจะให้เมื่อมีของใช่ไหมเพราะเรายังยึดติดอยู่เรารักของของนี้อยู่เราไม่อยากให้ใคร ทำไมเราจรึงไม่ไม่ให้ท่านผู้นี้เพราะเราไม่ชอบอะ่ะท่านผู้นี้เห็นไมว่าที่สุดจริงๆก็คือความตนีเขาถึงบอกว่ า, วาปฏิฆาหกเนี่ยเป็นที่ตั้งของโทสะเป็นที่ตั้งของโทสะเป้าหมายของทานนกุศลก็คือทำลายสองตัวนี้ก่อนทำอาโลพาให้เด่นคือความไม่โลภในทายธรรมเขาถึงว่าก่อนให้ก็ใจดีอะ่ะ ใจก็ดีอ่ะมีใจเป็นของของตนตอนเนี้พวกเราไม่กล้าให้ให้ที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใจเป็นของของตนอัตมโนอ่ะอัตมนาเนี่ยมีใจเป็นของของตัวเองไม่มีใจเป็นของตนปกติใจเป็นของของตนแปลว่าใจนั้นต้องเป็นใจที่ดีใจนั้นต้องเป็นใจที่เป็นกุศลถึงจะเรียกว่าเป็นมีใจเป็นของของตน จะหเป็นใจดีก่อนให้ในะใจก็ดีขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสคือผ่องใสพอเราไปคิดถึงปฏิฆาหกมันผ่องใสไม่ได้เพราะโทสาวมันเกิดแต่ด้วยการให้นี่แหละจะทำลายทั้งสองตัวนี้คือทำอาโลภา ค, คือความไม่โลภใหเด่นอโทสะคือความไม่โกรธคือผ่องใสแล้วมีสัมมาทิฏฐิเป็นปฏิบเห็นอะไรเห็นเหตุให้น้าใช่ไหให้ให้น้าเนี่ย ให้น้ำเป็นทานเนี่ยน้ำเขาตั้งอธิยาสัยรู้ไหมว่าเพื่อเป็นปัจจัยต่อการชำระล้างกิเลสใช่ของสัตว์ทั้งหลายคือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกานโนตปะอุทะจะคือความฟุ้งซ่านทั้งหลายกิเลสที่เผาร้นในใจสัตว์ทั้งหลายเพราะไม่มีเครื่องชำระล้าง น้ำที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยใบการชำระล้างสภากิเลสในกระแสใจของข้าพเจ้าด้วยทถอมันเห็นเหตุและเห็นผลที่จะได้และอีกอย่างน้ำเนี่ยน้าเนี่ยมันชำระล้างของไม่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างใช่ไหมมูดบ้างคูดบ้างน้ำเหลือดเหลืองบ้างน้ำเลือดบ้างน้ำก็ไม่อึดอัดไม่ละอาไม่เกียดชังใช่ไหม สิ่งของเหล่านั้นแม้ชั้นใดด้วยทานในกุศลที่เราเอาสละน้ำให้เป็นทานในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้จิตของข้าพเจ้ามีความเสมอมีความสะอาดไม่มีความอึดอัดขัดเคืองในของที่ดีและไม่ดีทั้งหลายที่จะมาเกี่ยวข้องจิตใจของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันนั้นเหมือนกันเถอะ น, น, น้ำเนี่ยแล้วน้าเนี่ยให้ความเยือกเย็นแก่คนทุกประเภทหม ไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพ่สูตรเจนทานไม่ว่าคนทุกระดับเมื่อได้ดื่มน้ําได้บริโภคน้ําแล้วสัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงความสุขเข้าถึงความเป็นผู้มีใจดีแม้ชั้นใดด้วยทานกุศลศีลกุศลที่ข้าพเจ้าเพียรพยายามในการเดินในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยในการชําระล้างจิตใจ ข, ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความหมดจบเข้าถึงความเยือกเย็นไปอยู่นะ้นที่ไหนก็เสมอเหมือนกันน้ำใช่ไหม ที่ให้ความร่มเย็นแกสัตว์ทั้งหลายแกบุคคลทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเถิดถ้าคิดไปอย่างนี้เรื่อยเนี่ยถามว่าท่านนกุศลอย่างนี้จะเดินได้แข็งแรงไหมนี่ก็แปลว่า ม, มีมีมุมมองมีวิธีคิดมีการประดับตกแต่งจิตทําให้จิตของตนเองนั้นเข้าถึงความผ่องใสให้ถามว่าได้ข้อที่จริงเราคิดอย่างนั้นจริงไหมวเวลาจะบูชาน้ําแด่พระาศาสดาพระรัตนตรัยเราได้ตั้งอัธยาศัยอย่างมุ่งมั่นในการวิจัยในการคิดแบบนี้จริงจริงย เห็นโดยมากเนี่ยที่ได้บอกแต่ทีแรกว่าตัวน้ำไม่ใช่ให้ผลแต่ตัวเจตนาที่สามารถมีกำลังอย่างมากตัวนี้เขาให้ผลถ้าพูดถึงในส่วนของนักศึกษ า, าพระปรมัติธรรมเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าการให้จักขูวิญญาณที่เป็นกุศลโสตวิญญาณที่เป็นกุศลคาณวิญญาณที่เป็นกุศลชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณที่เป็นกุศลสัมปติชนะสันติรนาว ให้สันติรานะให้ตาธาเรานะให้ผวังทั้งหลายที่เป็นนามธรรมทั้งหลายเราทเป็นเจตนาเป็นตัวให้นะหรือให้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ให้สิ่งแวดล้อมสรุปก็คือว่าการที่เราจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์และได้สิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ได้ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลถ้าเป็นเจตนาที่เป็นสมนานัด้วย มียานปัญญาประกอบด้วยประกอบไปด้วยปีติเป็นต้นด้วยใช่ไหมเจตนาเหล่านั้นก็เป็นอสังขารลกด้วยก็ยิ่งแข็งแรงและถ้าเกิดอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานและแล้วก็ประมวลความคิดอย่างนี้อย่างยาวนานอย่างมโหรานอย่างมหาศาลจากวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยนะก่อนให้ก็โมโหลานเลยเจตนาที่ปรุงแต่งขณะให้ก็มากมายนักหลังจากให้ก็ไม่หยุดหย่อน ่หมคิดทีไรก็สดชื่นปลื้มใจอยู่ตลอดเวลาเป็นไปกัญญาปัญญาเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมและผลของกรรมถามว่าถ้าอย่างนี้หนึ่งวัตถุแต่ปริมาณของเจตนาเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วทำไมถึงทำไมถึงเราพัฒนาเจตนาของเราให้มันยิ่งใหญ่อย่างนั้นไม่ได้เพรอะไรโอสุภานะหลวงฮะแล้วต่อไปจะทำยังไง้าอย่าง ในเมื่อสภาพกระแสจิตใจเราอ่อนแอแบบนี้จะแก้ไขยังไ ง, ง, งเน า, าปฏิกาหกนี่หมายความว่าถ้าเราตั้งไว้ที่พระรัตนตรัยเป็นปฏิกาหกจะจบเลยยกตัวอย่างเช่นเอางี้นะไม่ยกออกมานะยกสมมติพระสักองค์หนึ่งมาเดินผ่านบ้านแล้วเราจะใส่บาตรถามว่าเราน้อมถวายสงหรือถวายบุคคลที่ผ่านมา คิดยังไงก่อนเอ่ะคิดยังไงวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยไม่จํากัดลิขสิทธิ์ความคิดนะอันหนึ่งองคใช่ไหมเราเห็ น, ông, ยยน 4, หนึ่งองค์ขยายเป็นสี่ได้ไหมขยายเป็นสี่ได้ไหมขยายเป็นแปดได้ไหมขยายเป็นสิบหกได้ไหมสามสิบสองหกสิบสี่เป็นร้อยเป็นห้าร้อยเป็นพันเป็นหมื่น เป็นแสนเป็นโกรธเป็นปะโกรดนี่ตัวแทนมนัิกาอย่างนั้นได้ไหมเราจะได้ว่าตันหนักในคุณของพระริยาสงฆ์นี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเลยนะเป็นสังฆทูตเนะี่ยเป็นทูตของสงฆ์เป็นตัวแทนของสงฆ์มางริงด้วยน้อมงนะั้นน่ะ นอมสงด้วยมีพระทีเจ้าเป็นประมุกด้วยในการที่พระธาตุยังไม่ปรินิพานเพียงใดพระศาสดาจักดำรงอยู่เพียงนั้นใช่ไหมพระธรรมยังมีอยู่เพียงไรพระศาสดาจักอยู่เพียงนั้นเห็นไหมถวายสง์แต่มีพระศาสดาทรงเป็นพระประมุกออย่างนี้เราจะเคารพในสงไหมเคารพจริงๆเลยนะเหมือนเป็นเหมือนเราเห็นทูตของแต่และประเทศแเราเคารพทูดนั้นๆก็คือเคารพเคารพประชาชนในประเทศนั้นเขา นี่เหมือนการตัวแทนมาฉะนั้นสงฆ์สงฆ์จะทำชั่วทาผิดไม่ได้สงฆ์ทุศีนไม่มีไม่มีเพราะเราเราน้อมสงฆ์เนี่ยเรไม่น้อมบุคคลทำไมต้อ ง, อ ง, องน้อมสงฆ์ก็นในการนี้เราจะบําเพ็ญทานเราบารมีของเราใช่ไหมเพื่อเป็นปัจจยัยเกาดการพ้นจากชาติทุกชราทุ ก, ทกเราต้องการผลที่ยิ่งใหญ่นี่ทำไมต้องการผลที่ยิ่งใหญ่ต้องการประดับตกแต่งจิต ปรุงแต่งจิตให้เป็นสมถาวิปัสนาให้ปริมาณของสติปัญญานั้นน่ะรุ่งเรืองเข็นเหตุแล้วผลเพราะเรารู้ว่าตัววัตถุไม่ใช่เป็นตัวให้ผลแต่ต้องมีวัตถุทานแต่วัตถุทานเราก็ประณีตแล้วก็ปลปรารบวัตถุธานอีกใช่ไหมอย่างเช่นน้ําเนี่ยสมมติเป็นน้ําปลานะอันนี้กับละน้อมเลยโอชาเลยเป็นวิตามิน โอชาเป็นธรรมารมณ์เป็นประธานแต่มีสีด้วยมีเสียงด้วยมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีโอชาด้วยใช่ไหมไอตัวโอชาเป็นประธานสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบริวารแล้วก็มีสิ่งของอื่นมีข้าวปลาอาหารเป็นบริวารก็อีกเบ็เสร็จอย่างนี้ก็แปลว่าเมื่อให้แล้วก็พร้อมด้วยบริวารด้วยไม่ใช่ให้แบบไล่ไล่ไล่ข้อมูลน่ะใช่ไหมไม่ใช่ให้สิ่งเดียว ให้หลายๆสิ่งพร้อมทั้งบริวารของสิ่งนั้นน้อมถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระรยาสงฆ์บูชาไหมถวายเดชสงฆ์มีพระศ า, าสดาเป็นเป็นประมุกแม้ถวายเดชสงฆ์มีพระศ า, าสดาเป็นประมุกเชื่อว่าพระไตรปิฎกคือพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันก็ประทับอยู่ในใจเราด้วยลองคิดดูที่เราบูชาพระรันาตนตรัพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนด้วยอาหารมื้อนี้ ด้วยอาหารหวานคาวเหล่านี้แล้วก็ปรุงแต่งจิตบริหารจิตพัฒนาจิตของเราจนชัดเจนอย่างนั้นถ้าอย่างนี้จะเสะเทือนใจไหมนี่ก็ชื่นใจใช่ไหมเ <c oughs> แล้วตอนนั้นอ่ะใครมาชวนเราคุยเรื่องอื่นบอกขอเวลาลงไม่เอาไม่เอาเราจะปรุงแต่งจิตเราเราจะเดินจิตแล้วใช่ไหมก็น้อมทาอย่างนั้น เมื่อท่านเดินไปแล้วก็น้อมเป็นอป布拉เจตนาอย่างต่อเนื่องจะจําสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้เรื่องราวนี้อารมณ์นี้ไว้กลับไปนะตอนใดตอนหนึ่งไปนั่งขัดสมาธินั่งเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วก็แล้วแต่นั่งตรึกกระลึกถึงทานเยเดนาทำให้กุศลและจิตที่เกิดขึ้นด้วยนึกถึงวัตถุทานนึกถึงบุคบุคมนึกถึงพระตนณไตรที่มารับนะืสั่งกระทที่ลับถามมาคิดอย่างนี้เมื่ อ, อไหร่มันจะเป็นอนุสติไหม เป็นจาคานุสติอะแล้วจะพัฒนาจิตไหมแต่เนี้ยกิเลสทั้งหลายคือการมฉันทะพยาบาทีนะมิธาอุไดจากกุกุจาวิจิกจาก็ไม่ล้อมจิตแล้วน่งเข้าน่งเข้าแล้วก็ปรุงแต่งจิตนี่ไงเขาเขาเดินกุศลเขาเดินแบบนี้แหละแล้วทานที่มีศีลกำกับด้วยแล้วก็ตรวจสอบศีลแล้วก็ให้เยอะ ม, มีผลมากมีอนิสงฆ์มากอะ่ะก็ลองคิดดูที่เราจะเดินได้ไกลขนาดไหนนี่ผลก็เยอะ แต่ที่ผ่านมาอ่อนแอไม่ได้เป็นทานแบบนี้นี่พอเสร็จศบเรียบร้อยแล้วก็ไปเรื่องอะไรอีกก็ไม่รู้บอกเมื่อเช้าทำอะไรเดี๋ยวคิดก่อนคิดไม่ออก <c oughs> คิดไม่ออกไม่รู้ทำอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นไมมโดยข้อแท้จริง <Okay. S 1> อย่างนี้โหอีกนานเลยพัฒนานา น, านเลยแล้วทำไงในชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็คือถ้าหากมองในลักษณะอย่างนี้เพราะเพราะพอดิ์ศัตรีนะท่านเวลาท่านจะบริจาควัด ไอ้วัตถุทานหมายถึงกรารรัชกายของตอนเองนี่นะท่านบอกว่าธรรมชาติของตันหานี่นะความติดข้องในวัตถุนี่นะท่านบอกกายของตอนเองเนะี่ยเป็นที่ตั้งของราคะคือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความมัวเมาอย่างยาวไกลไกลในสังสารวัตไม่ว่าจะเกิดเป็นอบายศรรัสตร์ก็ยังลักลูประกายของตอนเองเลยอย่าว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมเลยฉะนั้นกายเนี่ยเป็นที่ติดข้องของตันหานักประดุ ด, ดัง อาบน้ําไม่ช้างไม่รู้จะพอช้างนี่อาบน้ำเวลาสามวันสีน่วันก็ไม่พอก็ไม่อยากจะออกจากน้ําหรอกใครเคยเลี้ยงช้างไหมถ้าไม่เคยก็ไปที่ต้องขวานช้างที่เขาเนี่ยที่เขา ท, ที่ที่เขาดูแลช้างที่ที่ที่อายุยาเนี่ยที่ที่ตรงเนี้ยจะเห็นเลยช้างชอบที่สุดคือการอาบน้ําสัตว์โลกทั้งหลายก็ชอบที่สุดในการติดข้องกาย ติดข้องกายภายนอกภายในไม่พอว่าก็ยังไปติดข้องกายภายนอกอีกเห็นกายนี้พอเห็นกายกายนี้เริ่มเบื่อกายนี้ก็ไปยึดกายอื่นเบื่อกายนี้ก็ไปยึดกายอื่นเบื่อกายนี้ก็ไปยึดกายอื่นในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ติดข้องในกายนี้อย่างยาวนานแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่รู้จักจบจกสิ้นนะดีไอ้กายที่เน่าเนาเหม็นเหม็นี่แหะยินดีนะตัณหาชอบมือใช่ไหมทั้งทั้งๆที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะ พอดูกายข้างนอกเนี่ยดูดีใช่ไหมยอย่าไปผ่าไปข้างในนะ โ, โหตายเลยเดี๋ยวนี้ยทั้งไอเม็ดมีหนังบางๆหุ้มอยู่แค่นั้นแหละสร้างตันหาได้ดีนักใช่ไหมถ้าลอกออกแล้วโอ้โหมันดูไม่ออกเลยเนี่ยในชั้นคําสอนเขาบอกว่าผิวกายนี่นะเวลาลอกหนังหนังข้างนอกออกนี่นะออกมาปั้นเท่ากับเม็ดพุทธชาเท่านั้นเอง พอลอกออกมาเนะี่ยโยนวันหงนะเท่ากับเมล็ดพุทธาเนี่ยจะมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครพอผิวชั้นนอกออกแล้วหน้าเกลียดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเพราะเห็นไหมเพราะผิวบางนิดเดียวปิดธรรมชาติขขาโมหะแทงไม่ตลอดแล้วแทงไม่ตลอดแล้วเอาอะไรปิดๆหน่อยทันทีทําท่าเปิดในส่วนบางส่วนให้ดูหน่อยแค่นั้นตัณหาก็ไปยืดติดเนี่ยเพราะไม่ลอก ใช่หไหมพอในชั้นคําสอนบอกว่าถ้าลอกผิวนอกออกสักนิดหนึ่งเนี่ยเสร็จเลยไอ้รูปากายที่ว่าดูดีทั้งหลาย้ะหมดเพราะบริษัทท่านเข้าใจมากว่ากายนี้ไม่งามกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาธรรมชาติของกายนี้เป็นที่ติดยึดของตัณหาตัณหาเป็นธรรมชาติที่คล้องอยู่ในกายนี้ประดุดังอาบน้ําไม่ช้างไม่รู้จกอิ่มไม่รู้จักพอแม้ชั้นใดทีนี้ท่านก็บอกว่าเราจะสละกายที่เน่าเหม็นนี้เลย ถ้าไม่รีบสละเสียในที่สุดจริงๆมันก็ผุพังไปกาตามการเวลาแต่เราจะเอากายนี้แต่เป็นวัตถุทานเดินทานบารมีของเราให้ได้สัมมาสัมปวิยาณท่านก็ตั้งว่ากายของเรานี้เราจะตั้งประดุดเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาต้นไม้ที่เป็นยานั้นคนต้องการกิ่งต้องการใบต้องการดอกต้องการก้านต้องการกระพี้ต้องการรากต้องการลำต้นก็มาตัดเอาไปเพื่อจะไปทํายาประกอบเป็นยาเป็นประโยชน์แก่ผู้นือื่นแม้ชั้นใด เราก็จะเอากายของเราใครต้องการผมก็จงเอาผมไปต้องการขนก็ขนไปต้องการเล็บเอาเล็บไปต้องการตาต้องการจมูกต้องการลิ้นต้องการฟันต้องการมือเท้าก็จงเอามือเอาเท้าเอาหนังเอาสตรีละต้องการตับเอาตับไปต้องการไตเอาไตไปต้องการหัวใจควักหัวใจเราไปเราจะทำประดุจต้นไม้ที่เป็นยาเอาสิท่านคิดท่านอย่างเงี้ยนี่คือคือเพราะพระโภชิสัตว์เพราะท่านท่านเห็นว่ากายที่ท่านมีอ่ ต้นไม้นั้นไม่เรียกร้องความวิตกว่าคนพวกนี้เอาเร า, เ, ราเอาของเราไปแม้ชั้นใดเมื่อกายไม่สะอาดเป็นนิดไม่รู้จักคุณจมอยู่ในทุกใหญ่กายไม่รู้จักคุณนะถามว่าตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้เราดูแลเขาดีไหมดูดีหรือไม่ดีต้องอาบน้ํำวันละสองครั้งไหมต้องประครบประงมเช้าเย็นตกแต่งสรีระอย่างดีในสือจริงๆตอนนี้เป็นยังไงเขารู้จักคุณเราไหม ก็เราทําดีกับเขาอย่างนี้เขาน่าจะตอบแทนเราดีๆเยอะไหมแต่ทําไมเขาทําเราแบบเนี้แล้วจะไปอะไรอวรมันทําไมแตงก็คฤษยอมตอนนี้เป็นยังไงเขาทรยศไหมอากตันยูไหมเออการเจอหน้าเขาบอกเขาบ <c oughs> ่อยๆอากัตันยูไปชี้คนอื่นได้ไหมทําไมไม่ได้ กายของคุณเนี่ยอักตันยูไปชี้ได้ไหมไม่เพราะอะไรเขายังไม่รู้คําสอนเนาะถ้ารู้คําสอนต่างคนต่างชี้ได้ไหมไ ด, ได้เนี่ยแต่อยต้องถามเ้าก่อนนะ่าจะโกรธไหมโพูด <c oughs> ไม่ดีมันโกรธอีก <c oughs> กายนี้อ่ะไม่รู้จักคุณเขาไม่กายไม่สะอาดไม่รู้จักคุณนะจมอยู่ในทุกข์ใหญ่เขาจมอยู่ในชาติทุกข์ไหมชราทุกข์ พยาธิทุก์มรณะทุก์จมอยู่ในความโศกความล่ํารายลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความกำแพนใจเขาจมอยู่ในทุกใหญ่เมื่อเขาจมอยู่ในทุกใหญ่ เ, เราถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สัสตว์โลกนะแล้วก็ประกอบการเพื่ออุปการะแก่สัตว์เราอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกเล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นคือการมวิตกเกิดขึ้นคือความยินดีนิดหน่อยไม่ควรแล้วเฮ้ยตรงนี้อยากให้เธอเดียไม่เอาให้ทั้งหมด โอ้โหนิ้วเนี่ยยังสวยอ ย, อย่าให้เขาเลยนี่ให้เลยวาเสดกล้าให้หัวใจมีคนมาขอหัวใจองไม่ได้แล้วเงี้ยท่านไม่ให้มิจฉาวิตกคือการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเลยน้อมสละให้ดีใจมีผู้มาขอวันดีคืนดีมีคนมาโทราศัพท์มาขอขอตายข้างว่าไงเนี่ยตบเข่าผางเลยว่าโอ้โหรอนานแล้ว สะดงเลยนะรีบแจ้งตำรวจเลยว่านี่ทานกุศลไม่ดีนช่นี่พระโพธิศัต์ท่านน้อมที่จะให้อย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะได้เข้าใจว่ากายนี้กายนี้ไม่สะอาดจริงๆนะไม่สะอาดเป็นนิดคำว่าไม่สะอาดเป็นนิดก็ว่าเป็นที่หลังไหลออกของของไม่สะอาดอยู่เนืองนิด เรานั่งอยู่เนี่ยของไม่สะอาดไหลยอยู่ตลอดไหมแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าไม่สะอาดนิงนิดทุกรูขุมขนนี่นะจะชุ่มไปได้วยของไม่สะอาดที่ถูกขับอยู่ตลอดเวลาทุกจุดของอนูของร่างกายแม้ตาก็มีขี้ตาออกเนอย่างนิดแต่มันค่อยๆออกมาเนะยหูเอ่ยจมูกเอ่ยลิ้นเอ่ยกายเอ่ยนี่นะในปากในใน สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้จะเป็นของไม่สะอาดไหลอยู่เนืองนิดเยิ้มอยู่เนืองนิดแม้ในรูขุมขนทุกรูขุมขนท่านถึงใช้ว่างกายนี้ไม่สะอาดอยู่นี่เป็นเนืองนิดไม่รู้จะคุณไม่รู้จกคุณถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่น่าอาวร์อะไรอาวร์เลยใช่ไหมแต่พอกลับไปความคิดนี้ก็หายไปแล้วกลับไปโอ้บางทีเรากลับไปเราก็ไปเราก็ไปบอกตันหาเราบอกว่าอย่าเสียใจนะที่ฟังพี่พาไปฟังวันนี้ จว่าพาท่านก็พูดไปอย่างนั้นหรอเขาไม่ได้พูดจริงอะเรียบร้อยเลยที่วจริงๆําสอนพระเจ้าก็เลยไม่แทกเข้าใจเรากลัวมากกลัวตัณหาจะน้อยใจกลัวไหมถ้าถ้าตัณหามันจะวิ่งหนีไปจริงๆกลัวไหม <c oughs> กลัวไหมถ้าเอาเงียว่าหลายๆคนนะกลัวการกลัวตัณหามันจะออกถ้าตัณหาทิ้งออกไปจริงๆเราก็จะรักลูกไม่เหมือนเดิมเออสิไม่รักเหมือน แต่ก่อนเป็นไหนที่ผ่านมาเรารักด้วยตัณหาราคาใช่ไหมเพราะตัณหามันออกไปแล้วมไม่รักแบบนั้นแล้วมันจะรักแบบเมตตาเนะี่ยเอาสิแล้วเราจะทนไหวหรนะือเนี่ยสภาพที่รักอีกอย่างนะและจะไม่ผูกพันลูกเหมือนเก่าแล้วแล้วเวลาพูดกับลูกก็จะพูดอีกอย่างนะแต่เนี้ยลูกล้องไห้แล้วก็ไม่ร้องให้ตามลูกเนะลยเราไม่ทุกข์เลยอย่างเงี้ยแท้ที่จริงเป็นสภาพที่ดีที่สุดแต่ตัณหามันกลัวกลัวมากกลัวความรู้สึกแบบนี้ ต้นหาอย่ากลัวมากระแวงมากเมื่อกายไม่สะอาดไม่รู้จักคุณนะถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์ก็เป็นจมอยู่ในทุกใหญ่มีชาติที่ทุกเป็นต้นใช่ไหมท่านก็มาพิจารณาว่าเราเป็นผู้ถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์แกสัตว์โลกประกอบการเพื่ออุปการละแกะสัตว์เราอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกเล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นก็หมายความว่าไม่ควรให้กามวิตกเกิดขึ้นในกายเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบุคคลที่เขากล้าสละวัตถุภัยในได้อย่าแปลกใจ ว่าถุภายนอกไม่ต้องพูดถึงหรือความพิเศษนะนะในทำเครื่องทําลายกระจัดกระจายกําจัดโดยส่วนเดียวอันเป็นมหาพูดทะลุภายในและภายนอกอย่างไรแต่ข้อนี้เป็นความหลงและเป็นความซบเซาอย่างเดียวคือการยึดถือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นไม่คํานึงนะไม่คํานึงในมือเท้าในตาเป็นต้นและในเนื้อเป็นต้นแม้ในภายในดุจสิ่งภายนอก เพิงมีใจสละว่าผู้มีความต้องการสิ่งนั้นนันจงนำสิ่งนั้นไปเถิดท่านก็พิจารณาอย่างนี้นะว่าสรุปแล้วก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยนะอย่างของใช้ทั้งหลายเหล่านี้ยสรุปแล้วก็คือดินน้ําไฟลมอะในกายนี้ก็คือดินน้ําไฟลมจะไปอะไรอววรอะไรเพราะบัญญัติต่างใจมันต่างใช่ไหมก็เช่นอ่าสรุปก็คือว่าในเนี้ยเรียกว่าขวดน้ำใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเครื่องอดัดอย่างเงี้ยนะ เครื่องบันทึกเสียงถามว่าสองอย่างเนี้ยไม่ม e ีความต่างกันในความเป็นสภาพธาตุดินธาต้น้ําและธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมแต่พอบัญญัติต่างกิเลสและตัณหาก็ให้ความยึดติดที่ต่างกันออกไปเราก็จะมองกันทันทีว่าขวดน้ําราคาสิบาทไอ้เครื t ains> <t ains ่องบันทึกเสียงเหล่านี้ราคาเป็นพันอย่างเนี้นะเอ็นี่คือจุดต่างและบัญญัติต่างแล้วก็ตัณหาเขาวิ่งมาก็ยินดีในสิ่งนี้เลยเห็นไหมเนี่ยพอบัญญัติต่างเท่านั้นแหละไอ้ตัณหามันก็เลยไป ยึดติดอยู่ที่บัญญัติไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเนื้อในของบัญญัตินั้นได้เลยแท้ที่จริงก็คือเป็นสภาพที่ธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟและธาตุลมในนี้ก็มีสีเหมือนกันมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสและก็มีสภาพของธรรมารมใช่ไหมสรุปก็คือว่ามีมีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาต์ก็คืออวินิโภกรูป8ดแต่ด้วยญาณปัญญาของเราไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงไปถึงเนื้อในสิ่งนั้นได้จริง พอไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงเนื้อในสิ่งนั้นได้จริงก็มายินดีมาเพลอดเพลินมากําหนัดขัดเครืองแล้วรุ่มหลงอยู่แตสภาพที่เขาบัญญัติต่างกันเนี่ยเห็นไหมดโดยโทษที่ว่าแท้แล้วก็มายึดว่าเป็นนั่นเป็นของเราใช่ไหมนั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็ยึดติดกันอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกใหญ่อ ย, ยอย่างนั้นเลยทําลายซะเลยใช้ยานปัญญาให้เกิดขึ้นหนึ่งเจตนาในการที่จะให้ เพื่อทำลายความไม่โลบทำอโลภา ค, คือความไม่โลบความไม่ติดข้องในวัตถุทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นทำอโทสะคือทำใจให้ผ่องใสเพราะอโทสะเกิดขึ้นก็คือความไม่โกรธความไม่โกรธก็คือสภาพใจที่เป็นไปกับเมตตาในบุคคลทั้งหลายทั้งหมดเลยใช่ั้มไม่ติดข้องในผู้รับจะเป็นใครก็ได้ลเลยเดี๋ยวนี้เมื่อมีผู้มาขอก็แต่จะพิจารณาว่าเมื่อท่านผู้นั้นเอาไปแล้วจะไม่เป็นโทษแกเขา ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องห่วงไม่ห่วงแล้วคิดคำนึงถึงว่าเมื่อท่านผู้นั้นเอาไปแล้วเป็นประโยชน์และเขาเอาไปนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่เขาได้จริงจึงให้ไม่ใช่ให้เพอาเพื่อแล้วแต่เป็นการให้ระวางแผ น, นไม่ให้ของที่เป็นโทษแก่เขานั่นเองเห็นหมยานปัญญาก็เกิดแล้วกล้าสละแบบนี้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นดานตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราก็กล้าสละกล้าที่จะให้กล้าที่จะบริจาคอันนี้แปลว่ามองเห็นอะไรถามว่าว่าถ้าเราไม่ถมทานบา ร, รมีให้เต็มสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณสัตว์ทั้งหลายก็ต้องระ ง, งมอยู่ในวัดแตทุกข์กันอยู่เนี่ยนี่ความคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นกับพระมหาวด เมื่อประกอบความเพียรเพื่อตัดสู้ก็ไม่คำหนึงไม่คำหนึงในกายและชีวิตกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมจึงเป็นอันบริสุทธิ์ด้วยดีโดยไม่ยากเลยเห็นไหมถ้มามหาบุตรนั้นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์ด้วยดีมีอาชีพถามว่าในขณะที่ให้เป้าหมายก็คือเพื่อกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดใช่ไหมได้ความบริสุทธิ์สรุปก็คือว่าเจตนาที่จะให้ไปเนี่ย มีความสมบูรณ์อย่างพบชาติและความสิ้นพบชาติเป็นอาการปรากฏก็จริงใช่ไหมต่อไปก็พัฒนาและแต่เนี้ยเมื่อก้าสละสิ่งของภายนอกได้ต่อไปก็กล้าให้กล้าสละให้ที่เป็นพัฒนาเข้าสู่ศีลกุศลหรือภายในเป็นต้นเหล่านี้นะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบริสุทธิ์ได้ดีไม่ยากมหาบุรุษมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์ได้ดีมีอาชีพบริสุทธิ์ตั้ง